ที่ทอนดงกิ้มาจากเชียงใหม่และมาเจอทุกคนกรุงเทพมาหากันเยอะๆนะคะพี่ทอเบนดงกิ้มาจากเชียงใหม่และมาเจอทุกคนกรุงเทพมาหากันเยอะๆนะคะพี่ทอเบนดงกิ้มาจากเชียงใหม่และมาเจอทุกคนใกรุงเทพมาหากันเยอะๆนะคะพี่ทอเบนดงกิ้มาจากเชียงใหม่และมาเจอทุกคนในกรุงเทพมาหากันเยอะๆนะคะ